พระภิกษุสงฆ์หรือสมณะชีพราหมณ์ก็พึงทำหน้าที่เป็นกัญญาณมิตรของชาวบ้านดังจะเห็นว่าหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ต่อกุลบุตรตามหลักทิศเบื้องบนตรงกันทุกข้อกับลักษณะมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์จะว่าพระสงฆ์เป็นมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์ก็ได้แต่หน้าที่ของพระสงฆ์นั้นมีเพิ่มเข้ามาอีกสองข้อรวมเป็นหข้อขอทบทวนลักษณะมิตรแท้ ประเภทมิตรแนะนำประโยชน์ทั้ง4ี่ข้ออีกครั้งดังนี้คือ 1. ห้ามปรามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ส่วนหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อชาวบ้านหข้อนั้นคือ 1. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีข้อนี้เป็นข้อที่เพิ่มจากลักษณะมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนำประโยชน์หน้าที่ของพระสงฆ์ต่อชาวบ้านข้อต่อไปข้อที่ 4. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 5. ชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจจำแจง ข้อนี้ก็เป็นข้อที่เพิ่มจากลักษณะมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์อีกข้อหนึ่งหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อชาวบ้านข้อสุดท้ายข้อที่6บอกทางสวรรค์สอนวิธีดําเนินชีวิตให้ประสบความสุขหน้าที่ของพระสงฆ์นี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านดังพุทธพจน์ในพระหุการสูตรขุตกานิกายอิติวุตกะว่าภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ฆราบดีหรือชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายเป็นผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเพศสัตว์บริขารแม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์ฆราบดีทั้งหลายโดยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถฐ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแกบพราหม์ฆ้าบดีเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายครืหัดและบรรพชิตอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรมจรรย์ น, นี้เพื่อมุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอหะเพื่อทําความจบสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการชนี้ผู้ครองเรือนและผู้ไรเรือนทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกัน ย่อมบำเพ็ญให้สำริดซึ่งสัต์ธรรมที่เป็นโยค ะ, ะเกษมอันยอดเยี่ยมและมีพุทธพท์อีกแห่งหนึ่งในกุลสูตรสังยุตติกายสลายตนาวัครตรัสกับนายบ้านชื่ออสิพันตะกะบุตรยืนยันการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวบ้านโดยทางที่ชอบธรรมว่าถูกอย่างนั้นนายบ้านท้าคตสันเสริญการเอื้อเอ็นดูสัเสริญการช่วยรักษา สันเสริญการอนุเคราะห์แก่สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายอย่างไรก็ตามความเป็นกันลยาณมิตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆทางธรรมด้วยเมตตากรุณาแก่ชาวบ้านดังกล่าวมานี้ก็จะต้องคงรักษาลักษณะพิเศษแห่งความมีชีวิตที่เป็นอิสระและความเป็นสมณะไว้ด้วยมิให้กลายเป็นการกลุกคลีกับขเรืหัซึ่งจะทาให้เกิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย คือกลายเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของตนเองและทําให้ชาวบ้านขาดที่พึ่งเพราะมีแต่คนที่ยังวุ่นวายตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขาไม่มีหลักที่จะช่วยเหนียวออกไปให้พ้นจากความสับสนวุ่นวายได้ลักษณะความสัมพันธ์ผิดพลาดที่พระสงฆ์กลายเป็นผู้ตกลงมาอยู่ในสภาพวุ่นวายติดแหติดอวนอย่างเดียวกับชาวบ้าน หมดความสามารถที่จะช่วยดึงชาวบ้านออกไปสู่ความอิสระเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นอาการที่ถูกมนุษย์จับไว้ดังพุทธพจน์ในกุลสูตรสังยุตตนิกายสลาญตนาวร์ตรัสว่าถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโ น, น้นจากไม่จมเสียในท่ามกลางจากไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนวนไว้ จากไม่เน่าในภายในดูกระร้าพิสุท์ทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แลท่อนไม้นั้นจะลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดดูกระร้าพิสุท์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโนน ไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออามนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้จากไม่เป็นผู้เสียในภายในไสดด้วยประการดังกล่าวานี้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่ น, นิพพานในคำว่าไม่ถูกมนุษย์จับไว้พระพุทธองค์ตรัสขยายความไว้ว่าดูกระราภิษุการถูกมนุษย์จับไว้ เป็นไนกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหอขัดทั้งหลายรื่นเริงด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันเมื่อเขาสุขก็พลอยสุขไปกับเขาเมื่อเขาทุกข์ก็พลอยทุกข์ไปกับเขาเมื่อเขาเกิดกิจทุระขึ้นก็เข้าจัดแจงเจ้ากี่เจ้าการด้วยตนเองนี้เรียกว่าถูกมนุษย์จับไวเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสั่งสอนโดยตรง กัลยาณมิตรควรดำรงอยู่ในหลักปฏิบัติที่เน้นความบริสุทธิ์ความมีเมตตาและความจริงใจต่อไปนี้ด้วยหลักปฏิบัติหมวดแรกเรียกชื่อว่าธรรมเทสกะธรรมแปลว่าธรรมของผู้แสดงธรรมมีห้าประการจับความได้ดังนี้หนึ่งอนุปุปพิกถาสอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับคือแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหา ตามลำดับความยากง่ายลุ่มลึกมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ 2. ปริยายทัสสาวีจับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผลคือที่แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็นอธิบายยักเยื้องไปต่างๆให้มองเห็นกระจ่างตามแนวเหตุผล 3. อนุทยาตาตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี คือสอนเขาด้วยจิตเมตตามุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับคำสอน4อนามิสันดอนไม่มีจิตเพ่งเลง็งมุ่งเห็นแก่อามิตรคือสอนเขาไม่ใช่มุ่งที่ตนจะได้ลาบสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทน5อนุ ป, ปหัสวางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่นคือสอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงอัดแสดงธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่นมีพุทธพจน์เกี่ยวกับการสอนที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ในจันทูปมาสูตรสั่งยุตินิกายนิธานวัตพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่าขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา แหลครั้นฟังทำแล้วพึงเลื่อมใสขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงกระทําอาการแห่งผู้เลื่อมใสแก่เราด้วยเถิดธรรมเทศนาของพิสุเช่นนี้ไม่บริสุทธิ์พิกษุทั้งหลายพิสุใดแลย่อมแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่ารำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิ บ, บัติบรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการ ควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวินโยชนพึงรู้ได้จัาเพะตนขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงเข้าใจธรรมทั่วชัดและครั้นเข้าใจทั่วชัดแล้วพึงปฏิบัติเพื่อเป็นเช่นนั้นเถอดดังนี้เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นเพราะอาศัยความที่ทําเป็นธรรมดี เพราะอาศัยความกาลุนเพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดูเพราะอาศัยความปรารถนาดีธรรมเทศนาของพิสุขเช่นนี้บริสุทธิ์แม้แต่หน้าที่ต่อสิทธิ์ที่ครูอาจารย์ทั่วไปปึงปฏิบัติตามหลักทิฏหซึ่งไม่ได้เน้นในแง่ความบริสุทธิ์มากนักก็มีลักษณะทั่วไปในแนวเดียวกันคือย้ำความมีเมตตาและการกระทําด้วยความตั้งใจจริงดังข้อปฏิบัติ ต, ต่อไปนี้ 1. นแนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. ส, สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. สอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ส, ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิตคือสอนให้ใช้ความรู้ทำงานได้จริงสามารถใช้หาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ได้